อย่างไรจึงจะเรียกว่าภาวนาได้ผลเราจะกำหนดเอาอะไรที่ว่ามันได้ผลเกิดจากการปฏิบัติเช่นอย่างสมมุติว่าพระภาวนาเก่งๆแต่พอเห็นเลขหวยเบอร์ก็วิ่งไปซื้อหวยอันนี้ก็แสดงว่าภาวนาแล้วไม่ได้ผลเพราะยังไปทำผิดวินัยอยู่ทีนี้ของเราคารวสเนี่ย เราก็เอาศีลห้าเป็นหลักสิ่งที่มันผิดศีลห้าเนี่ยเราภาวนาเก่งแล้วเรายังอยากจะละเมิดมันอยู่หรือเปล่าถ้าหากว่าความรู้สึกมันไม่มีความที่อยากละเมิดล่วงเกินแสดงว่ามันได้ผล